กาไรประโยุตกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีฝูงกาอาศัยอยู่ในสวนมะม่วงวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากสําหรับคุณกาที่จะไปเที่ยวเขากําลังบอกลาเพื่อนๆของเขานี่คือภายมะม่วงสำหรับคุณขอบคุณคุณนายคาวิ้ง เอากิ่งไม้และก็ยางไม้นี้ไปไนายไม่รู้ว่าจะต้องสร้างรังที่ไหนขอบคุณนะคุณกาต้านถ้านจะคิดถึงนายและจะคิดถึงทุกคนเลยและเขาก็รวบรวมของขวัญจากเพื่อนของเขาและคุณกาก็บินออกไปคุณก า, กาข้ามภูเขาแม่น้ำหมู่บ้านและเมืองหลายๆที่เขาได้เห็นโลกเป็นครั้งแรก วันหนึง่งเขาได้ยินพายุและฟ้าร้องดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตกเขารียบบินเข้าไปหลบในต้นไม้ฉันคิดว่าเธอต้องอยู่ที่นี่คืนนี้มันคงเป็นความคิดไม่ดีนะที่จะบินฝ่าฝนขณะที่คุณกากำลังอยู่บนต้นไม้เขาได้ยินเสียงแปลกๆเขาแอบดูหลังกิ่งไม้เพื่อที่จะดูว่าเสียพวกนั้นมาจากไหนฝนกำลังจะตกแล้วหัระ มันตัวอะไรกันเนี่ยพวกเขาบินได้พวกเขาเป็นนกงั้นเหรอแต่พวกเขาสวยมากเลยอ่ะสวยจริงๆคุณกาได้เห็นนกยูงเป็นครั้งแรกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าพวกมันจะสวยมากๆเขาเปรียบเทียบขนกาดามของเขากับขนสว่างใหญ่และสีสวยท่านใดนั้นเขาก็ไม่ชอบขนกาของเขาอีกต่อไปดูฉันสิ ฉันดำแล้วก็น่าเกลียดฉันอยากจะเป็นแบบนกยูงทั้งสวยและน่ารักแล้วคุณกาก็เฝ้ามองนกยูงทั้งกลางวันและกลางคืนเขาคิดอะไรไม่ออกนอกจากอยากจะเป็นนกยูงแต่จะทำยังไงได้ล่ะพวกเขากินเบอร์รี่เหมือนพวกมันเต้นเหมือนพวกมันแล้ววันหนึ่งเขาก็คิดออกคนนกยูงสวยมากเลย จากวันนั้นคุณกาเริ่มเก็บคนนกยูงที่ร่วงหล่นบนพื้นพอเขาเก็บได้สักพักเขาก็ใช้ยางที่คุณขาต้นให้และติดคนนกยุงพวกนั้นไว้ที่หางของเขาอ้าตอนนี้ฉันก็ได้เป็นนกยุงแล้วไหนที่สุดว้าวได้เวลากลับบ้านแล้วยูฮู เขาคิดว่าเขาเป็นนกยู่แล้วเขาจึงบินกลับบ้านคุณนายกาเห็นคุณกาก็ได้เรียกกาตัวอื่นๆมาทันใดนั้นพวกเขาก็มารวมกันที่รังของเขายินดีต้อนรับกลับบ้านนะคุณกาการเดินทางท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างพวกเรานะ่าคิดถึงคุณมากเลย การท่องเที่ยวก็เป็นไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากแต่ตอนนี้ผมไม่เป็นกาที่น่าเกลียดต่อไปแล้วผมเป็นนกยุงที่สวยงามแต่ว่านายเป็นกานะนายบอกว่ากาน่าเกลียดได้ยังไงกันฉันเอามม่วงพายมาให้ขอบคุณนะแต่ตอนนี้ผมเป็นนกยุงแล้วผมต้องกินแต่เบอร์รี่ พวกกาไม่ชอบนิสัยของคุณกาพวกเขาตัดสินใจทิ้งคุณกาให้อยู่คนเดียวแต่คุณกาก็ไม่ได้รับบทเรียนอะไรวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจโอโ้พวกกาน่าเกลียดทำไมต้องอยู่กับพวกเขาเล่าที่ที่เป็นแสงสว่างให้ฉันก็คือการไปอยู่กับนกยุงและคุณกาก็ไปอยู่กับนกยุง ผมคือนกยุงนะผมคิดว่าผมอยู่กับพวกคุณได้พวกนกยูงปรึกษากันและแตัดสินใจให้นกยุงประหลาดนี้อยู่แต่วันหนึ่งฝนก็ตกและขนนกยุงของคุณกาก็ได้ร่วงออกนายนายไม่ใช่นกยุงนี่นาะอ๋อใช่เซี่่่ถ้าเป็นนกยูงนะฉันกินแบบนายอยู่แบบพวกนายแถมยังมีขนสว่างสีสวยเหมือนกันด้วย ขนเหมือนกับทั้นเหรอนายเป็นกานี่โอไม่ไม่ไม่ขนสีดำของนายเนี่ยทำให้นายหล่อมากเลยอะไรนะพวกนกอยู่ได้ชื่นชมความสวยงามของขนของกาคุณกาไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองขนของนายสวยมากและที่มากกว่านั้นคือนายบินได้สูงบนท้องฟ้าเพราะขนของพวกเราเนี่ยทำให้เราบินได้ตาำ เราอยากจะปีนแตะขอบฟ้าได้แบบนายอะแต่นายทิ้งครอบครัวและพื้นที่สวยงามของนายเพื่อจะมาเป็นนกยุงเนี้ยนะโอ้น่าละอายมากกลับบ้านไปซักจงมีความสุขกับสิ่งที่นายมีในที่สุดคุณกาก็ได้ตระหนักถึงความงอกคลาวของตัวเองและกลับบ้านไปเอิ่มเอ่ อ, อ, อ, อ, อสวัสดีคุณคาวิน ผมรู้ว่าคุณโกรธคุณก็สมควรโกรธผมผมพยายามที่จะเป็นคนอื่นและนั่นทําให้ผมเสียครอบครัวของตัวเองและเพื่อนๆยกโทษให้ผมด้วยนะเธออยากได้ภายมะม่วงไหมโอ้แน่นอนได้โปรดผมนะ่าเบื่อการกินเบอร์รี่เต็มทนแล้วผมต้องขอโทษนะทุกคนผมเป็นกาและไม่ว่าขนอะไรที่ผมเอามาใส่ผมก็เป็นกาอยู่ดี ยินดีต้อนรับกันกลับมาการแต่งตัวหรือการลอกเลียนแบบการกินและการใช้ชีวิตของคนอื่นไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นพวกเขาสิ่งที่ดีที่สุดคือจงมีความสุขกับสิ่งที่เรามีเพราะไม่ว่าเราจะเป็นใครเรามีความวิเศษอยู่ในตัวของเราเอง